อยวาเขามากล้ๆกันญาติยดโยมและเพื่อนพิสูจน์สมณีนทุกท่านที่มาฟังธรรมะหรือมาฟังการบรรยายธรรมะหรือมาฟังเทศที่วัดสนามไหนบางคนก็เข้าใจในคำพูดบางคนก็ยังไม่เข้าใจในคำพูด เพราะสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรายังไม่เคยฟังเมื่อเคยซินหูเรามันก็เลยไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าอาตามาก็จะพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละ จุหมายปลายทางมันแต่คําพูดนั้นบางทีก็เปลี่ยนไปบ้างบางทีก็จาได้คําพูดเดิมๆไม่เหมือนกับเราพูดน้โมตัสะอันหโมตัสะนี่ใครพูดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันทางนั้น <c oughs> แต่คําพูดเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะนั้นไม่เหมือนกันแต่คนไหนถนัดเรื่องใดก็นำเรื่องนั้นมาพูด สำหรับตัวของอาตมารหรือตัวของผมคิดว่าทุกคนทำได้อย่างนี้มันก็เลยคิดเห็นแต่เรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจ เ, เป็นของจริงท่านอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรสีพอดแม่จะไปพูดที่ไหนท่านก็ต้องพูดเรื่องอริยสัจสี่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราแต่ท่านพูด บางทีก็พูดเรื่องทุกข์บางทีก็พูดเรื่องปฏิจจสมประบาทบางทีท่านก็พูดเรื่องอริยสัจบางทีท่านก็พูดเรื่องอนยตนะสิทสองหรือขันห้ารวมความแล้วก็เช่นเดียวกันแต่อัตมานั้นเป็นผู้ไม่มีปัญญามากคือไม่ได้ศึกษามากมันเลยไม่มีความรู้มากแต่รู้ได้วิธีที่จะนําปัญหา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 ไม่ใช่จะถูกทั้งหมดเลยมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างความผิดน่เราจดจำเอาไว้แต่ความถูกต้องนั่นเราต้องทรงเสริมไปความผิดเ่าต้องจำให้มันดีจาแล้วจะมาทาไมจาเพื่อจะแก้ความผิดนั่นเองถ้าเราไม่จำความผิดไปเราก็เลยไม่ได้แก้ความผิดของเราเป็นอย่างนั้นเราจะไปเข้าใจว่าต่ถูกต้องทั้งหมดมันไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ เป็นผู้มีปัญญามากพูดให้ฟังเพียงหัวข้อเป็นบทเรียนของพระองค์มากที่สุดเมื่อพระองค์ตัดจะรู้แล้วเป็นพระาาระหันออกมาใหม่ๆยังไม่เคยแท้เคยสอนใครทั้งหมดเลยมาพบเอากับอุปการีิวคคณเนี่ยพระองค์ก็พูดให้ฟังตามตรงอุปการศิวคุณนั่นก็เลยฟังไม่ได้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 พระองค์ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้เองเห็นเองเข้าใ่เอง น, นักบวชคนนั้นหรืออุปกราศรศีวผลนั่นก็ได้แต่แลบลิ้นเท่า น, นั้นเองนี่อันนี้แสดงว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดดังนั้นคนผู้ที่มีปัญญามากต้องพูดคราอมข้อม แต่ตัวอาตมาไม่มีปัญญาก็พูดให้ฟังอย่างที่ตัวเองเคยประสบพบเห็นหมานั่นเองดังนั้นความผิดพลาด น, นั้นจึงมีมากทุกคนแม้เส้นทานาทำสวนก็ยังมีความผิดเช่นเดียวกันพูดถึงว่าทานอาหารทุกวันทุกวันก็ยังยังมีความผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดฝันของเรามันขบลิ่นเราก็ยังได้บางทีกินอาหารเข้าไปกล้ามมันปักคอเราก็ได้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 เหล็กเศษเหล็กเหลืออยู่ที่ไหนมันจะเข้าไปติดไปติดแล้วก็ดึงไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอภาลาหาเวปัญจขันฐานมันเป็นภาษาบาลีขันทั้งห้าเป็นของหนักเนินอภาราหาโลจะปุคโลผู้คนผู้แบกของหนักพาไปคนเราทุกคนมันแบกภาละหนักจริงๆแต่ภาละเรื่องขันทังห้าลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือภาละหนักมันเข้าไปยึดตัวสมุทัยนี้เองเราไม่ได้มองตัวสมุทัยนี้สักทีเลยอาตา ม, มาอายุ46ปียังได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงจับพูดแต่เรื่องเดียวเท่านี้นจิงววะตัวเองรับรองว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งนี้นั่นเองดังนั้นพวกท่านมาที่นี่เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นบางที่อาจจะได้ปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกส่วนมากนะตัวตาตมาในเสียหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้แต่เคยคิดเอาไว้ว่าจะพยายามกับสิ่งนี้ให้ได้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 ทำไมตกนอนหลัแล้วนะ่ะเขาว่ายนะเนี่ยมันเป็นของจริงเราคิดว่าจะพูดกับเขาอย่างนั้นอย่างนีดอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ดูที่ตัวของเราเขาไม่ตกด้วยเขาว่าอยนะนี่เนี่ยทำบุญก็ยังเป็นบาปอยู่เมื่อไม่รู้จักบุญเอาบุญไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละบุคคลที่มาสอนเราเรื่องนี้นะ่ะเจ้าถึงเขาจะมีอายุน้อยกว่าตามถึงเขาจะไม่มีความรู้ก็าตามถ้าเขาพูดผูกแล้วควรที่จะเอามาศึกษาตัวเรา ข่าวนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นภรรยาก็ได้เป็นเมี่ยก็ได้นะแต่อาตมารับฟังทีเดียวโอ้หนี่ทุกแล้วแม้เราทุกคนเดียวเขาไม่ได้ทุกด้วยเราเนี่ยทุกเราตกนรกทางเป็นแต่เราไม่รู้นรกจะหลีกนรกได้ไหมหลีกไม่ได้แต่เราไม่รู้จกบุญจะเอาบุญได้ไหมเอาไม่ได้แต่เพียงว่าเราทําบุญเท่านั้นเองมันเป็นซื้อของบุคคลที่ไม่มีทุกเท่านั้นเองตั้งแต่บัตรนั่นมา มีกำลังใจมากขึ้นนึกว่าเอาแหละถ้าเอาสิ่งเอาสนะสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่มีวันที่จะเลิกกันได้คิดตั้งแต่บัดนั้นมาอาตมาคิดมาแต่เริ่มคิดมาตั้งแต่นานแล้วว่าจะเอาสนะผมโกรธนม่ได้แต่มันไม่รู้วิธีมันพอดีคนมาพูดไม่พอใจมันติดเลยท้งนี้ดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดยิงง่าย อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าต้องทําบ่อยๆนะเราต้องไปประสบการณ์มันบ่อยๆพอาะเดมันคิดขึ้นมาไม่พอใจแล้วเขต้องมาดูใจเราแต่เมื่อเรามาดูใจเราก่อนเสียแล้วคนที่พูดให้เราไม่พอใจมันไม่เข้ามาใกล้เลยมันเป็นสโลมเนียกว่าเอายามาสโลมไว้ก่อนเหมือนกับที่ว่าเอายามาสโลมเนื้อเราไว้ปิง่งมันจะไม่ติดเราเลย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 ทำการทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองบุญมากที่สุดคือรู้อันนี้บาปมากที่สุดคือไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยคนว่าอันนี้เป็นคําเดียวกันนะบุญมากที่สุดคืออันนี้ทําไมคือรู้จักวิธีปลดเปื้องอันนี้ออกได้เนี่ยว่าปลดเปื้องออกได้ก็เป็นบุญเราแล้วเนี่ยเริ่มเข้าต้นทางแล้วเราจะเห็นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้า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 มันก็เป็นทุกอย่างนั้นไม่พอใจมันก็เป็นทุกอย่างนี้ไปไหนมาไหนเราก็รู้แม้จะไปด้วยกันสองคนต้องมีพูดขึ้นมาให้ฟังทันทีคนนั้นเขาชอบเรื่องนั้นเขาต้องแสดงเรื่องนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหะคือทุกข์แต่สิ่งที่ชอบใจนั่นแหละคือทุกข์ดังนั้นเอาของให้คนก็นเหมือนกันเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้บุคคล น, นั้นแต่บุคคล น, นั้นไม่รับ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 ตามปกติหรือผู้ที่ไม่มีปัญญาเรียกว่าผู้ทุกนนั่นเองเมื่อเราเอาของสิ่งนี้ให้คนเราชอบกับสิ่งนี้แหละเอาของสิ่งนี้คนนี้เมื่อคนได้ไม่รับเสียใจแล้วนี่เสียใจแล้วเป็นทุกข์เลยบัดนี้บัด น, นี้เราเอาของสิ่งที่ไม่พอใจนะ่ะให้เขาเขาก็ไม่เอาก็ทุกข์อีกแล้วนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นคำพูดหรือว่าเขาทำอะไรให้เรา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 แต่พระเดียเจ้าก็มีเหมือนกันแต่พระเเจ้าท่านฝึกหัดดัดนิสัยได้ท่านรู้จักวิธีกลไกและเทคนิคของมันรู้จักวิธีเอาชนะได้ท่าน้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนเราสอนเราสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอี ก, อออกให้ทุกคนพยายามดูใจท่านวานเราก็เรียกว่าสติคมละลึกได้พวกเรามาพูดกันทีน่นี่ให้รู้สึกตัว ให้รู้สึกใจมันก็เลยไปเข้ากันได้กว่ากับมีสติคม ล, ลึกได้ในเองถ้าคนใดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกใจแล้วแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปมันก็เลยไปเป็นทาสของข่มลงผิดอันตัวสมุทัยเนี่ยให้เรารู้มันมันคิดปุ๊บออกไปให้เราเห็นให้เรารู้ทันทีเมื่อเราไม่เห็นไม่รู้มันก็ไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาเราก็เลยทุกข์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 เข้าใจแล้ ว, ลวเราก็วางได้เหมือนกันทุกคนดังนั้นคนจะทำบาปทำกรรมก็าตามไม่ทำบาปไม่ทำกรรมก็าตามถ้าหากไม่มาทำงานกับจุดนี้แล้วซื่อว่ายัางไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมากแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามจุดนี้แหละเป็นเริ่มต้นอาตามาเข้าใจเรื่องนี้มาโอ้นี่ คำสอนของพระเจ้าเริ่มต้นที่สุดฟังอาตมาพูดไี่บางคนไม่เข้าใจเพราะมันสลับซับซ้อนเนี่ยเราไปเอาบุญบุญนั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้บุญเลยตัวอาตมานึกว่าตายแล้วจึงจะเอาบุญไม่รู้เลยแล้วจะได้ไม่บุญอ่ะได้แต่มันไม่ได้เขาว่ามันไม่ได้ทาไมมันไม่ได้เพราะเราเอาไม่เป็นถ้าเรารู้แล้วบุญเอาเป็นได้ถ้าเรายังไม่รู้เอาทีนี้ เมื่อทําบุญแล้วมันสบายใจจับหลักการที่สบายใจนั่นแหละไว้ให้มันดี mm. เมื่อมีคนมาพูดให้เราเราคนรีบทิ้งซะมาจับหลักการที่สบายใจนี่อยู่เสมอไป mm. ก็เป็นบุญได้ถ่าหากว่าเราไปทําบุญ mm. เงินสักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนเป็นล้านก็ตามนะถาวายพระแล้วสบายใจเมื่อมีคนมาพูดให้เราเกิดไม่สบายใจแสดงว่าบุญไม่มีแล้วนี่ บุญหมดแล้วเปรียบให้ฟังหลายครั้งหลายหนเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยไม่มีที่ตาหนิแล้วก็มีน้ำมันเสื้อเพลิงสาดลงไปมีไม่แค่ก้านเดียวจุดเป็นไฟขีดเป็นไฟแล้วไฟไปติดน้ำมันเสื้อเพลิงไฟจะไหม้บ้านหลังนั้นสุดเสร็จเลยเมื่อไฟไหม้บ้านหลังนั้นเสร็จได้จะอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่ได้แดดออกไปอยู่ที่นั่นก็คารยมันเป็นเท้าขึ้นมา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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเราละมันไม่ได้เพราะมันมีอุปท า, านอยู่แล้วคําว่าอุปท า, านก็หมายถึงว่าเราไม่รู้มันนั่นเองมักต้องเจริญเพระพุทธเจ้าท่านสอนมักต้องเจริญเจริญก็ต้องทําให้มากเหมือนกับเราหาเงินเนี่ยถ้าหาน้อยมันไม่พอต้องหามากๆหามากๆมัน ก, ก็ได้มากเราตัวเจริญเน้นโรธก็แปลว่าทําให้แจ้งกันวัน ทำให้แก้งก็เพราะเราเคยทํโาโอมเคยซินของมันโอมมันมาอย่างนี้มันมาทางหูบ้างมาทางตาบ้างมาทางไหนก็ตามและมันจะเข้ามาทุกด้านทีเดียวดังนั้นหรือปีศาจมันรอบตัวของเราหรือกิเลสมันรอบตัวของเราหรือของสิ่งที่ซวร้ายเนี่ยมันลอบตัวของเราเมื่อเราปล่อยตัวเมือ่อใดมันถลําเข้าไปในที่ชู่วเมื่อนั้นเมื่อเราปล่อยใจเมือ่อใดมันถลําเข้าไปในที่ชั่ววันนั้น ในขณะที่เรามีสติหรือมีความรู้สึกตัวตื่นตัวตื่นใจอยู่ปีซาดมันเข้ามาใไขไม่ได้เหมือ น, นเราจุดไฟเนี่ยเมื่อมีความสว่างอยู่แล้วความมืดไม่มีเลยพอดีไฟดับปุ๊บความมืดมันเข้ามาทันทีดังนั้นคนทําบุญก็าตามวันนี้ก็ต้องพูดไม่ใช่พูดหนักหรอกพูดความจริงให้ฟังแต่บางคนจะหาว่าพูดหนักไม่ใช่พูดหนักแต่พูดความจริงให้ฟังคนไม่ชอบ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 ดังนั้นตัวของผมเนี่ยเคยทําบุญมามากพอสมควรเคยรักษาศีลมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีเป็นหนุนไปรักษาอุโบสถศีลกับคนเท่าคนแกะไม่รู้เลยศีลนี่หมายถึงอะไรไม่รู้เลยก็ไปรักษาศีลอยู่ในตำราคนไม่เคยดูใจตัวเราเลยความจริงรักษาศีลทั้งหมดน่ะมาดูที่ใจใ่เสร็จงานทีเดียวเนี่ยศีลห้าศีลสิบ สิแปดิน 8, สองร้อยี่สเจ็คนรักษาใจแล้วมันรักษาสินในตำลามันดีแล้วรักษาสินในตำลาเรียกว่าสังคมเท่านั้นเองแต่ตัวจริงแล้วมาดูที่ใจนี่เองดังนั้นวันนี้จริงจกักขอแนะนำให้พวกเราเอาไปใช้ทดลองดูถ้าหากมันผิดไปจากที่นี่เราถือว่าตัวของอาตมานี่ควมจริงใจไม่มี มาพูดโปรงหกลอกลวงญาติโยมเพื่อนภิกษุสมณีแนแม้ตัวเองยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแล้จะไปสอนคนอื่นได้ทําไมดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นและแนะนําคนอื่นนั้นตัวเองทําให้ถูกต้องและคลองแพร่สำนึกสํานานคนอื่นก็ทําได้ถ้าหากเราทําไม่เป็นแล้วจะไปสอนคนอื่นตัวเองก็ทําไม่ได้ยไงเขาเรียกว่าคนอวดดี ไม่บดีในตัวคนอวดดีพูดได้แต่ทําไม่ได้อาตมาเคยพูดให้ฟังเคยทําความสงบนี่ทําได้ใครต้องการมาศึกษาอาตมาสอนให้ได้รับรองบอกว่าไม่ให้เกินสามสิบวันเรื่องเข้าตัวแข็งเนี่ยไม่เคินจริงจริงแต่ว่าคนนั้นทําแล้วจะไม่จเจริญจะเสียสติหรือมันจะเสื่อมไปมันจะทื่อมันจะทื่อมันสมองนี่จริงๆ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 มีไม่ขีดไฟจุดปึ๊บเข้าไปแล้วมืดบัรหายไปเองดังนั้นความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราต้องมาจับจุดนี้บาปกรรมทั้งหมดมันจะค่อยหายไปหายไปหายไปเพราะเรามีความสว่างแล้วดังนั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยรวมแล้วอาตมาเข้าใจว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องจิตใจ เราทุกคนก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าตัดสัู้้เพราะการทาทางจิตทางใจแต่อาตมาก็ฟังมาอย่างนั้นแต่ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยเมื่อมาเข้าใจแล้วมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ความว่าง่ายนิดเดียวเนี่ยแต่ไปทำมันก็ยังยากอยูอยน่นะเพราะเราพอดีมันคิดปุ๊บเราเข้าไปในควมคิดแล้วอยากเข้าไปในควมคิดเมื่อเราถอนตัวออกจากควมคิดเมื่อใดแล้วเราจะรู้อันนั้นเป็นขวมคิด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 ดังนั้นเราจะไปทํายังไงก็ตามต้องมาจุดนี้จะไปรักษาศีลก็ต้องมาจุดนี้จะไปทํกากรรมฐานในควมทรงก็ต้องมาจุดนี้ไปเจริญวิปัสนาให้เกิดปัญญาก็ต้องมาจุดนี้ถ้าไม่มาจุดนี้แล้วไม่มีทางไปสําหรับตัวของผมดังนั้นความสงบที่อาตมาพูดนี่เจ้าไม่ต้องไปนั่งสงบอยู่ที่ไหนความสงบคือหยุดการศึกษาหยุดพิธีหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งเดียวเท่านั้น เมื่อเรายัางหยุดสิ่งนี้ไม่ได้ก็แสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่รู้นี่เมื่อเรารู้ได้จะไปหาทาไมครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนใครเอาให้เราไม่ได้<อ>เพียงแต่ท่านแนะแนววิธีให้ทำเท่านั้นเองดังนั้นวิธีที่อาจามาพูดนี้คนใดทาได้ก็ถือว่านั่นแหละคือบุคคลที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ได้หรือบุคคลที่เข้าไปใกล้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 คือตัวความสงบน้นพระพุทธเจ้าข้างหนึ่งองค์กุฎิมหารตามลาตามฐานทำไมเดินไปอยู่ที่นั่นแต่กวงมจริงพระพุทธเจ้าท่านหยุดการทาชั่วการพูดชั่วการคิดชั่วเมื่อ องคุริมานเข้าใจอย่างนี้องค์คุริมางก็เลยโอ้เราทําผิดแล้วนี่นี่แหละความคิดความเห็นเนี่ยมันไม่เข้าใจแต่องค์ุริมางเจตนาตั้งใจว่าจะศึกษาธรรมะตั้งใจจะแสวงหาของดีนี่มันก็เลยไปแสวงหาธรรมะที่ผิดหาของที่ติดมาเป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านกลอนเราหยุดทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วองค์คุริมางเข้าใจก็เลยหยุดทุกคนเ ค, เคยได้ฟังอย่างนี้ไหม ไ, ได้ฟังไหมเออเนี่ยหยุดจากการทงชั่วก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นจิตใจมันคิดอันรูกกายเนีตายไปแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันเพียงเป็นวัตถุเอาไปทําให้คนอื่นมองเห็นเท่านั้นเองแต่สําหรับจิตใจนั้นให้เข้าใจเรื่องจิตใจนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอนัตตาเดี๋ยว บ, บังคับบัญชาันไม่ได้ทําไมที่บังคับบัญชามันไม่ได้เพ ร, ร, ราะมันจับไม่ได้ บอกว่ามึงคิดดูที่มันก็หยุดคิดได้เอาหยุดคิดนะสิมันก็คิดไปได้ดังนั้นจึงมีวิธีมีนโยบายพระบุรุเจ้าท่านจึงสอนให้เราเคลื่อนไหวให้มีสติทันวันให้มีสติกำหนดรู้ในอีบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้กำหนดรู้ทันวันเท่านัาน้ น, นก็ยังไม่พอท่านเนี่ยว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้หู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตาม ทไให้กำหนดเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความรู้สึกอันนี้นี่เองเป็นการแก้ปัญหาอ น, นันเองดังนั้นการที่ทำการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะนำบุคคลผู้ที่ทำแบบนั้นแหละเข้าไปถึงจุดสำคัญคือจุดสุดท้ายอาจะมาชอบพูดในจุดสุดท้ายมากเพราะว่าเวลามันก็ใกล้ๆแล้วทุกคนน่ะมันเดินไปสู่ความตายทางนั้น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 ไม่ได้ดีใจเสียใจกับสิ่งที่เอาให้ไปแล้วเขาจะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องไปคิดทันสอนอย่างนั้นคือให้ไปเสยๆทันวันอย่างนั้นเดียว่าเป็นการเสียสละให้จริงๆตอนนี้แหละเรารู้อันนี้หลไปให้รู้การเคลื่อนไหวนี่ไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็ปล่อยไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็ปล่อยไปอย่าไปยึดไปถือมัน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 ทุกคนยกเว้นไม่ได้เรื่องนี้รับรองจริงๆเพราะทุกคนนั้นต้องตายตอนที่จะตายทุกคนต้องมามาจุดนี้ถ้าไม่มาสะดุดจุดนี้เราคนนั้นจะเหมือนกับอะไรก็ไม่ทราบลมันจะมืด อ, อยู่เสมอไปดังนั้นความสว่างนี่ยมันจะเพชเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยเลให้ฟังหรือปูย่ย่าตา ย, ยาย พระพุทธเจ้ามาตัดสรูแต่ละพระองค์เนี่ยพวกสัตว์นรกไปตกนรกไปตกอเวจีเนี่ยภาพพระสีอริยเมตตาเนี่ยจะมาตัดสรุปอายุสี่หมื่นปีจะเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนอยู่เนี่ยแต่รัทธีของธรรมะของพระสีอริยเมตตาจะต้องเข้าไปถึงสัตว์นรกที่ไปตกอยู่อเวจีเท่ากับแสงฟา้าแม่เท่านั้นเอง เห็นแว บ, บเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากการฟังธรรมะอันนี้ไม่เข้าใจก็เช่นเดียวกันแต่คนใดที่อยู่ใกล้ตกอยู่นรกสั้นบางๆเขาได้หรือเดินอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นก็เหมือนกับแสงภาทิตกลางวันนี้เองเนะหนยเหมือนกับกลางวันกลางคื น, นแต่ผู้ที่ไปตกอวิกีนั้นน่ะพระศีอลไม่ใจมีอายุสี่ b i l ปีเทีท่ยวเทศเที่ยวสอนก็เห็นแวบคราวเดียวเท่านั้นเอง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 อาตมาเคยพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราถือศาสนาพุทธมีบาปมีนรกมีอเวิกีศาสนาอื่นๆเขาไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีอาวกิกีแล้วก็เลิกถือศาสนาพุทธเสียไปถือศาสนาที่เขาไม่มีนรกนั้นเสียมันก็สบายใจแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติพูดเท่านั้นเองความจริงที่อาตมาพูดเนี่ยทุกชาตทุกภาษาทุกปรทเททุกมีกาย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 เรารี่บ ม, มันสบายใจอย่างนี้ในขณะมันคิดมันเป็นอย่างไงท่านจะรู้เองคนอื่นรู้แทนท่านไม่ได้พอเดี๋มันคิดขึ้นมาเออนี่มันคิดแล้วเราจะได้เห็นคิดพอใจโอ้เป็นทุกข์แล้วคิดไม่พอใจโอ้เป็นทุกข์แล้วทั้งสองอย่างในพระพระธเจ้าทุกทางนั้นดีพอทุกข์ชั่วก็ทุกข์ท่านว่าดีใจก็ทุกข์แบบดีใจชั่วก็ทุกข์อย่างชั่วนั่นนพระพุทธเจ้าถึงวางทั้งสองมือเลยอาตมาเคยพูดเปิงมาจับอย่างนี้ ดึงมือนี้มันติดมือนี้วางทั้งสองมือเอาอยาสโลมแล้วกว็าวางไว้เท่านั้นเองมันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเรารู้นะยังได้บัด น, นี้มันขึ้นมาปุ๊บวางมาอยู่โองรู้สึกฝึกหัด บ, บ่อยๆมันค่อยเป็นค่อยไปเองดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญที่สุดทุกคนต้องได้รับผลอันนี้แม้จะรักษาจศีงก็รับผลอันนี้ให้ทานก็จะอรับผลอันนี้ไม่รักษาจศีงก็จะได้รับผลอันนี้ ไม่ให้ทางก่อใจได้รับผลอันนี้เพราะผลอันนี้มันขวงหน้าอยู่ทุกคนหรือมันเป็นแดนกั้นอยู่ทุกคนถ้าเราทําลายสิ่งนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเราหมดงานที่เราจะทําแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดงานที่เราจะทําแล้วเรียกว่าถ้าพูดตามสํานวนเนี่ยเรี่ยกพรหมจันท์เราอยู่จบแล้วพรหมจันท์ก็หมายถึงบุคคลผู้ที่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 เคลื่อนไหวตัวเราให้มันรู้มันคิดให้มันรู้เอาสองอย่างเท่านี้ก็พอไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวให้มันรู้มันคิดให้มันรู้ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้เองพอดีนอนกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามคนมาพูดให้เราพอใจก็จะไปอยู่กับผมพอใจไม่พอใจก็จะไปอยู่กับผมไม่พอใจให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้เองฝึกบ่อยๆขูมพอใจขูมไม่พอใจมันก็จางไปจางไปลดไปลดไป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 ความทุกข์นันแสดงออกมาหันหน้าดําหน้าแดงขึ้น ม, มันแสดงขึ้นมาให้คนอื่นเห็นได้แต่ความสบายเนี่ยแสดงให้คนอื่นเห็นไม่ได้ดังนั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะจิงว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่เรามาทําของง่ายนี่แหละให้มันยากเดียวนี้เนี่ว่าไปฟังเทศฟังธรรมหรือทําบุญให้ทานรักษาศีลต่างๆมีแต่พูดยากๆทายากๆโอ้โหจะมีเวลา ได้ทําได้ทำไมเพราะมันไป พ, พุ่งคียอยู่กับการกับงานทั้งนั้นคนทุกคนต้องมีการมีงานทําแต่ไปทําอย่างนั้นนะ่ะมันทําไม่ได้อาตมาพี่ปองทําแล้วเรื่องนี้เจียววิธีที่อาตมาพูดเนี่ยไปที่ไหนก็ทําได้นี่อยากให้ทางก็ทําได้เอาเงินให้คนอื่นแล้วก็สบายใจแล้วก็มาดูใจเราคนอื่นมาโกดเราแล้วเราก็ไม่พอใจก็มาดูใจเราก็หมดเรื่องไปนี่แล้วก็มาฝึกหัดตัวนี้นี่เอง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 เมื่อเราจวนจะหมดลมหายใจก็ตามเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเป็นวิธีเด็ก็ตามล่ะเราต้องมาดูการเคลื่อนไหวอย่าไปดูลมหายใจให้มากมันหายใจเข้าใจออกรู้สึกตัว น, น้อยๆแล้วมันเคลื่อนไหวโดยวิธีการรู้มันคิดก็ให้รู้เพียงแค่นี้เองแล็บบัด น, นี้มันจะมีโอกาสที่เราจะได้มองควาคิดมันจะขาดช่วงกันเข้ามาทันทีนี้แหละควมจุดติจิตตัวนี้แหละปฏิสนธิจิตหรือจุดติจิตทันพูดอย่างนี้ เมื่อมีความสว่างที่ตรงนี้ก็แปลว่าเราได้รับธรรมะหรือความสว่างจากบุคคลผู้ที่รู้หรือพระพุทธเจ้าก็ได้เมื่อเรายังมืดอยู่พอดีมันมืดเป๊ะอย่างที่พูดให้ฟังพระสีอริยเมตตามาตัศรู้อายุสี่หมื่นปีก็ยังมืดอยู่ไม่รู้ที่ต่างมันก็จะเล็ก น, นิดเดียวมันก็ไม่รู้เลยอันนี้ถ้ามาตกกระไดคอยโจนให้เรามองที่ตรงนี้ เมื่อตรงนี้ขาดไปคำว่าขาดไปนี้ทางนี้จะว่ายังไงไม่ทราบอตมาเคยพูดให้ฟังเอาเสื้อพูดผูกส่วนนี้ผูกส่วนนั้นตัดตรงกลางเนี่ยเสื้อมันจะกระเด็นตำเสาข้างนี้เลยเพราะมันตึงเนี่ยพอเดี๋ยวทับมันจะรู้ทันทีเนี่ยเมื่อมันรู้แล้วดึงเข้ามันไม่จุกกันเลยแล้วครูบาอาจารย์มาสอนว่าขันห้าอายตนาันะภายนอกภายในมันไม่ถึงกันอันนั้นเป็นคาพูด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 อยากให้พวกเราทุกคนจําเอาไว้เพียงแค่นี้นจาเอาไว้และนําไปปฏิบัติรับรองบ่าะไม่ผิดพาดไม่ผิดพลาดทําทไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนต้องตายนี่รับรองว่าถ้ามาทําอย่างเนี้ยรับรองอย่างนานสามปีอย่างตลางหึงปีอย่างเร็วที่สุดให้เวลาเก้าสิบวันแต่ไม่ถึงจุดนั้นอาตมาพูดนี่เขาจะเข้าใจแต่เมื่อยังไม่ทํานั้น บางคนอาจไม่เข้าใจแต่ทำเพียงเล น, น้อยอาจไม่เข้าใจ่ะจุดนี้นะดังนั้นจุดนี้ต้องแน่นอนที่สุดทุกคนแม้จะเป็นผู้มีความรู้มา ก, มากๆก็ต้องไปทีน่นี่คนเขียนหนังสือไม่เป็นก็ต้องไปทีน่นี่คนมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องมาทีน่นี่คนจนจนไม่มีเงินแม้สตางค์เดียวก็ต้องมาทีน่นี่จะควดแาตา่จึงแน่นอนที่สุดจุดนี้นะดังนั้นอาตมาได้พูดให้มาตั้งแต่ต้นมา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 เคยเห็นไฟไม่ทองฟ้าบ้างไหมไ ม, ไม่เคยมีนะเนี่ยดังนั้นพูทธุชนเนี่ยชอบโกรธเหมือนกับจุดไฟไม้ทองฟ้าดังนั้นพระเดียะเจ้าท่านสอนว่าคนผู้ที่รู้จักเหมือนกับทองฟ้าพูทธุชนนี่โกรธให้พระเดียเจ้าเนี่ยไม่มีโอกาสเลยพระเดียเจ้าจะรอนได้เดี๋ยวพุธุชนนี่เหมือนกับจุดไฟไม่ทองฟ้าจุดยิง่งจุดก็ดยิง่งไหมตัวเอง กองใหญ่เขาได้ก็ยิบไม่ตัวเองแต่ฟ้ามันไม่เคยร้อนใจเลยไม่เคยร้อนเลยวะผู้ทดสอจุดไฟไม่ทองฟ้าแต่อาตมาก็ไม่รู้ที่เพียงพอเมี่ยเราให้ฟังดังนั้นเราอย่าพึ่งโกรธถ้าโกรธเมื่อใดกระจุดไฟเผาตัวเราทันทีทองฟ้ามันไม่เคยรู้เลยดังนั้นเราโกรธให้คู่ต่อสู้เราเนี่ยบางทีคู่ต่อสู้เราอาจจะไม่โกรธกับเราเขาได้นี่ถ้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เขาอาจจะไม่โกรธแล้วเลยว่าจุดไฟให้ไม่ทองฟ้า แล้วคนนั้นจะไม่เดือดร้อนกับเรามิถ้าเราทุกคนเดียอาตมาเป็นแล้วเรื่องนี้อาตมาเราให้ฟังควมจริงเนี่ยในบ้านของอาตมาเนี่ยอาตมาไม่พอใจใเขาจนเอาพระกรถินไปถวายพระตอนเย็นมาพูดกันเขาร้อยฝังโอจริงแล้วเลิกกันเลยนึกว่าจะเอาชนะสิ่งนี้ให้มันได้ถ้าเอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้ไม่มีวันเลยอาตมาตั้งใจไว้เท่านี้การทําบุญให้ฐานรักษาศีลทำกรรมาฐานความสงบทั้งหมดเลย จะมาที่ตรงนี้ถ้าไม่มาที่ตรงนี้ก็ทําไปก็ดีไม่ได้ห้ามสร้างกองกระถินก็ดีไม่ได้ห้ามอืสร้างพระรพุทธรูปก็ดีไม่ได้ห้ามแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทุกคนทําได้ถ้าหักสนใจถ้าไม่สนใจไม่ต้องทําก็ได้เนี่ยทีธรรมานํามาให้ฟังวันนี้ก็นึกว่าทุกคนจําได้เอาไปใส่กับชีวิตของเราจริงจริม คำสอนทั้งแปดหมื่นสี่พันพระนามขันเนี่ยนะเริ่มต้นให้มาจับจุดว่าเราไม่พอใจอ้าวทุกแล้วนะข้อที่สองเราพอใจทุกแล้วให้แก้ปัญหาที่ตรงนี้เนี่ยวนี่เขาเรียกแก้ปัญหาซึ่งหน้าบัด น, นี้เมื่อเราไม่โกรธคนอื่นไม่มป็นไรแก้เหตุผลก็ว่าเหตุผลมาพอพอใจแล้วไม่พอใจเหตุผลน่นเดี่ยวแก้ซึ่งหน้าไม่พอใจทึบที่แก้ทันทีเพาว่าแก้ที่ประสบการณ์ในธันวาอย่างนั้น แก้โดยเหตุผลเรามานั่งคิดเอ้ยเราไม่พอใจเขาเนะ่มันเอาเที่ยวหลังไม่ต้องแก้นี้แต่ว่าแก้เหตุผลนึว่าขวามผิดเป็นครูจะอย่าทำผิดนะบทนี้จำไว้นะบทต่อไปให้มาดูใจเราพอดีใจเรามันคิดออกไปแพ็บเอาขึ้นมาอยู่กับคนรูสิอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามออกไปวันนี้เราต้องดูไปไหนมาไหนต้องดูสภาพหรุอภาวะจิตใจของเราคิดจิตใจมันเซยเท่านั้นเอง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 ตอนเวลาเก้าโมงสาสิบมุดธุระแล้วก็มาพูดให้โยมฟังไม่ได้มุดทุระแล้วก็ับมาพูดไปถ้าหากยังไม่มุดทุระบางทีเขาผ่าตัดลงไปแล้วยังไม่มุดทุระฝันหลังก็จะมาพูดให้ฟังอถ้ามุดทุระแล้วก็ถือว่าจบสากกันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น<ม>เพราะว่าทุกคนต้องฟังเอาไว้นะเรื่องนี้อาจารมาไม่ได้กังวนนกพระพุทธเจ้าท่านกับสอนพูดจนหมดลมหายใจสิ่งที่สําคัญพูดจนหมดลมหายใจ อาตมาก็คิดว่าแต่อาตมายังไม่คํานวณได้เพราะว่าพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงสามสิบเขาจะไปะจัดการเขาไปอย่างนั้นแหละแต่ ว, ว่าเวลาเท่าใดยังไม่ทราบท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ได้เพิ่มเข้ามาหลายอย่างหลายวิธีให้แก้ปัญหาตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นคนอื่นมันเรื่องนิดเดียวตอนนั้นเองเขาจะทุกข์ก็เรื่องของเขาเขาจะสุขก็เรื่องของเขาเราอย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกันเอาแหละ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 สังขา ญ, ญาณายขั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอาตมาเคยถามเกิดมาได้กี่ปีเอาถามโยมก็ได้เกิดมาได้กี่ปีแล้วจำไม่ได <c oughs> ้อหนูเกิดมาได้กี่ปีแล้วฮะมีสิบเอ็ดมีสิบเกตตีพ่อหนูยังไหมแล้วคําแรกที่สุดพ่อหนูสอนคําแรกที่สุดนะสอนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนกําลังนั่งหรือนอน เน่เพียงอายุยี่สบเจ็ดกังยีิบเจ็ปีก็ยังจำไม่ไนดะ้อันนั้นพระพุทธเจ้าตายไปแล้ ว, ลวได้ห<ม>้าร้อยเออได้สี่ร้อยนะสี450่ร้อยห้าสิบปียังไม่ได้จารึกพระธรรมวินัยไว้บัด น, นี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วเรสองพันห้าร้ยกว่าปีแล้วเราจะไปจาเอาที่ไหนหมาเป็นสำคัญได้อันนั้นเลี้ยเลี้ยว่วงมาได้สองพันห้าร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วดีแล้วแต่เราอย่าไปทิง แต่เราจะไปยึดไปถือขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสําคัญตัสินุเพราะการทำนทางจิตทางใจเรามาจับจุดสําคัญจุดนี้เนี่ยวะเที่ยงจะมาพูดเนี่ยให้ดูใจเราให้ดูใจเราจวนจะหมดลมหายใจก็ตามหรือวินาทีใดก็ตามเที่ยงตะมาพูดเนี่ยดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธ อ, อ พูดได้ก่อนนะผมว่าแบบเขามีหนังสือทุกวันเด็ดสิเล่นเดียวเนี่ยมันพอไหมที่เขาจะเอาไปแบบปฏิบัติตามในหนังสือเพราะว่าเขาจะกลับไปบ้านเขาภายใ น, นสองสาวันนี้แล้วอีกปีเนี่ยเขาจะกลับมาที่นี่พอไหมถ้าเขาจะปฏิบัติตามห น, น, น, น, นังสือคำแนะนำในหนังสือนี้ทุกวันอันหนังสือเนี่ยนะมันพอไม่เป็นแต่มันพอเป็นฮะแต่เรามันมีวิธีแต่ให้เราทําจังหวะตอนนั้นเอง เมื่อ <me an> เราทำจังหวะรู้อ น, นันต์เป็นการปฏิบัติไม่เอาหนังสือไปก็ได้เพราะหนังสือมัอนเป็นวิธีให้ทาอันนี้เท่านั้นเอง <Okay. S 2> you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 รู้จักรู้สึกตัวเพิ่งเขาเขาเพิ่งาเจอหนังสือนีเล่นแรกที่บอกให้เขารู้จักเออรู้สึกตัวแต่ว่าเขาก็ิ่งยังยังไม่รู้วิธีทําเท่าไหร่นะครับต้องเรียนอวิธีทำเนี่ยเป็นวิธีที่เรียนต้องเรียนด้วยมือทําเองพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวข้อมือลงรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวนั่นไม่เ่ว่านั่งอรู้สึกอันนั้นอีกเรื่องคือให้ลูกการเคลื่อนไหว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 บอกว่าตำแที aquí, himself, ่เขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะเล่นเปียโนโดยรู้สึกเป็งเป็นเื่องดนตรีอะไรนี่เขาาก็มารู้สึกจากการกดตรงนี้เขาจะลืมย่างอื่หมดเลยหรืเขาเล่นบาสเจ็บอลเล่นลูกบอลเขาก็จะมารู้จักแต่เรื่องเล่นลูกบอลเรื่องอื่ลมหมดเลอแต่ที่จะให้มารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้ยเขาเขาเห็นนั่เถอคือถ้ารู้การเคลื่อนไหวที่เห็นไดหลวงพ่ไม่รู้อันนี้ให้รู้รู้ นล้แต่ว่าเสียงเราไม่ต้องกาหนดแต่ฟังได้แต่ว่าจิตใจมันคิดให้รู้แบบนี้ Uh, aware of your movement h r in the ear, then brought arise in the aware. Let mm. go mm. and then I w i r e Don't concentrate only finger movement. Yeah, that you see wrong in Europe because we are just concentrated yeah, little part of your your complete person. เลยบอกว่าให รู้จากการแต่งนิ้วมือเคลื่อนหวแล้วเวลาระหว่างนั้นนะถ้าความผิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ให้รู้ให้มารู้จะกลับคลื่อนขึ้นไหวห่างด้วมือ น, นี้ในที่โลกเขาเพ่งเฉพาะที่ครับพราะเขาเพ่งเฉพาะมือหรือว่าเป็นเฉพาะส่วนไปออั น, น ท, ทำนเกาเลยบอกไม่ตองทไม่ต้องทําอะไรมไม่ไม่ต้องเพ่งเฉพาะรู้ที่มืออย่างเดียวคือให้มันรู้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ในใจมันคิดมันก็จะไม่รู้ที่ประเด็น เพอันนี้มันเป็นเครื่องที่ปรอบปลมมันให้มันรู้อยู่ภายนอกก่อนอันใจเนี่ยมันเราทําไม่ได้มันจะคิดเมื่อใดเราไม่รู้มันจะหยุดคิดเมื่อไหรเราไม่รู้เพร่ะเราเอาตัวนี้เราทําได้เลยพลิกดูวยมันพลิกได้พ่วงลงมันทําได้เอาอยาคิดอยาพลิกจะเนี่มันทําได้อันใจมันห้ามไม่ได้จะเอาตัวนี้เป็นที่ให้มันรู้สึกตัวนี้แล้วแบบตัวน้าจะค่อยมาทีหลังเพราะเลาว่าที่ยุโรปเขสอนให้รู้แต่ที่มียนเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นเลยอ๋อให้รู้คือมันคิดต้องรู้อันเนี้ยเราทําอันนี้ก่อน ทำได้อย่าพยงพลิกด mm ูไ hmm. ม mm ่ใช่การเคล e ่อ n ไหวของแ a n d ่อนคณะจะออกแ of the body you just aware of the movement mm hmm. but uh, not concentrate only special part of your body but you not not concentrate in one part mm hmm. but you aware in at the movement but at the same time if your thought arise you have aware your thought also Your thought move, or your mind move. You have aware your mind, but you have to to move the body. Don't let it still.